เที่ยวมาหมดแล้วใช่ไหมเป็นสถานที่บางทีเหมื อ, อจังหวัดนั้นน่าอยู่วันก่อนเนี่ยไอ้ในโทรศัพท์เนี่ยมันมีข่าววิ่งออกมานีนก็ดูเขาบอกว่ามันมีประเทศนึงรู้สึกยินประเทศนอร์เวย์ก็บอกว่าเขาเขียนไว้ในนั้นบอกเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่น่าอยู่นี่ไม่รู้จะข่าววสุขโตพวกนี้ไม่รู้กันทั้งเมืองเลยเนี่ย ก็คาดว่าในปีหน้าจะมีคนมาประมาณล้านห้าแสนโดเขาวางกันนะสิไปกันเถอะใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าสถานที่ที่ดีนะไม่ใช่ประเทศไทยพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่ปรอมสถานที่ ท, ที่ดีนะคือพานิพานใช่ไหมช่วยกันจัดทัวร์ไปนิพานกันหน่อยเถอะใช่ไหมโปรโมท บอกไอ้ตรงเนี้น้าไปใช่ไหมจาน ก, กันไปพราะอ่านคุณสมบัติทุกคนถอนหมดเลยงไมเอาแล้วในพระภูมิวิภาคเจ้าเสด็จไปโดยชอเพราะเสด็จไม่หวนกลับมาหากิเลสทั้งหลายคือราชาโทสามโมหะเป็นต้นที่พระทรงพระองค์ทรงลาได้แล้วให้สังเกต ด, ดูนะว่าพ ร, พระองค์เนี่ยได้โสดาบัิมากพระองค์ก็จะไม่กลับมาหาทิฏฐิวิจิกิจฉารอีกแล้ว พอได้สกาธาคามีมาราคาโทสะโมหะอย่ากพระองค์ก really ็ไม่ใหม่กแล้วพอได้นาคามีมารในกามาราคาและปฏิฆะคือโทสะทั้งหลายพระองค์ก็ไม่กลับกิเลสเหล่านั้นท่านก็ไม่หวนกลับมาหาท่านอีกแล้วพอได้อาราตมัตโอมานะเพราะว่าราคารูปาราคาทั้งหลายเหล่านี้นะพวกอวิชชาทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกละเป็นในกมลสันดานหมดเกลี้ยงเลยอย่างเนี้นะและกิเลสเหล่านั้นหลังจากละได้แล้วเนี่ยพระองค์ไม่หวนกลับมาอีกเลย นี่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะทรงสเสด็จไปโดยชอบคือไม่หวนกลับมาอย่างเราเนี่ยวันนี้โทรศัพไม่เกิดแล้วมันจะกลับมาเกิดจริงไหมนี่เขาเรียกไปไม่ชอบเดยังไม่กลับมาเกิดอีกนะดูเหมือนจะคล้ายๆว่าโอ้คุณไปจะดีอยู่แล้วใช่ไหมเวลาคนตายก็ไปไปที่ชอบ ไม่ชอบจริงถ้าชอบจริงต้องคือคือออกจากกิเลสเนี่ยนะคือกิเลสเราใดที่ผ้าโสดาบันผ้าสกาทาคามีพผ้านาคามีทรงละผ้ารหัสทรงละได้แล้วท่านไม่กลับไม่หวนมาหากิเลสเหล่านั้นอีกคือไม่ไม่กลับมาหาราคาโทสะโมหะเป็นต้นอีกเนาะนี่เขาเรียกไม่หวนกลับมาสุขโตพระผู้มีพระ เ, ะเจ้าเสด็จไปโดยชอบคือเสด็จไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกทั้งมวลพร้อมได้สัมมาปฏิบัติที่พระ อ, องค์บำเพ็ญมา บารมีสามสิบทัศน์เนนะให้บริบูรณ์มาตั้งแต่บาทมูลของพระผู้มีภาคเจ้าก็หมายความบอกว่าถ้านับเสียสงไขก็คือพะทีบางกรทัานนับยี่สิบกนู่นนะยี่สิบสมไขก็เริ่มตั้งแต่นั่นแหละเป็นมานพนม น, น, น้อยนั่นแหละแบกแม่ข่ามหาสมุนนั่นแหละเริ่มตั้งปฐมจิตูบาทตอนที่พรมในชั้นสุทาวาต ด, ดนใจเนะี่ยนั่นแหละ อันนั้นก็เป็นการที่ยาวนานมากเนเะนียทีนี้หลังจากที่ท่านได้ตัดสรู้ท่านก็ไม่คลองแวะที่สุดก็คือสัสตาอุเชธาการมสุขาลิกานโยกและอัตตกิรณมาตรฐานิโยเพราะองค์จริงได้มีนามมาสุกโตนะเนเสด็จไปโดยชอบงั้นคำมาโดยชอบคำนี้มาจากคำว่าสัมมาขตัตตาปิสุกโตเนี่ยก็ทรงสเสด็จไปโดยชอบ อีกบทหนึ่งก็คือว่าตรัสโดยชอบมาจากคาว่าสัมมาคัตตาปีสุคโตเนี่ยคือตรัสโดยชอบเนี่ยคือมีพระวาจาที่ควรในฐานะที่ควรให้เป็นไปนะ พ, พระเจ้าพอมีมีพระวาจาอย่างนี้ในพระวาจาที่ท่านสาธุเอาไว้คือตถาคตทราบวาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตก็ไม่ตรัสวาจาเช่นนั้นตรงนี้ท่านขยายไว้วานี่ขยายวิธี คือพระเจ้าเนี่ยวาจาที่ไม่จริงไม่จริงก็คือวาจาที่เป็นเท็จเนี่ยไม่แท้เนี่ยนะไม่ประกอบด้วยประโยชน์สามคือประโยชน์ในปัจจุบันพบหน้าและตลอดอย่างยิ่งและวาจาเน้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตาข้อไม่ตรัสถวาจานนั้นะโอ้โหทุกวันนี้ลองสังเกตดูทีใครตรัสวาจาประเภท น, นี้เป็นเรื่องขอมคนสนุกคนนะชอบฟังวาจาโกหกเนี่ยไม่แท้และไม่มีประโยชน์อลไรหรอก แล้ววาจานั้นก็ใช่ไหมแล้วถึงแม้ไม่เป็นที่ชอบใจของใครบางคนแต่เขาก็พอใจที่จะพูดอย่างนี้นมีอะไรไหมก็หลวงมันมีรอคุณทําบาปทำก็เขารู้ก็ว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยวาจาใดที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเราอื่นเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสวาจาบางวาจาเนี่ยจริงแท้นะ แต่มันไม่ประกอบไปด้วประโยชน์สามยกตัวอย่างเช่นด่าเขาเนี่ยเขาด่าเราก่อนใช่ไหมเราไปด่าตอบเนี้มันจริงนะเนี่ยเป็นวาจาแท้ๆเลยที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ด่าเลยแต่มันไม่ได้ประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าแล้วประโยชน์อ ย, อย่างยิ่งเลยเนี่ยพระเจ้าไม่ตัดตัวจ้าแบบเนี้ยและที่พระเจ้าบอกไม่ตัดวาจาอย่างนี้เธอก็ควรให้ควรตัดวาจาอย่างนี้ด้วยอัธากอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเออแต่ถาคดอ้อพระุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเแต่เราต้องตัดอย่างนี้ไม่ใช่คือพระองค์เนะ่ยเป็นผู้เดินเดินนําหน้าเราเดินตามท่านครับที่จะเดินตามท่านเดินตามท่านในที่นั้นก็คือว่าพูดอย่างท่านพูดไม่เหมือนบแบบนั้นเส่อนวาจาที่จริงที่แท้และประกอบไปด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบจใจผู้อื่นในข้อ น, นั้นพระพุทธเจ้าเขารู้จักเวลาเพื่อจะตัดวาจาจริงแท้ด้วยนะ แล้วก็วาจานั้นประกอบไปด้วยประโยชน์ด้วยแต่พูดไปแล้วคนไม่รักใช่ไหมไม่ชอบใจเช่นพระเทวทัตเป็นสัตว์นรกจริงไหมวาจานี้จริงไหมแท้ไหมประกอบไปด้วยประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ที่คนอื่นจะได้ไม่ทําไงเนี้ยอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่เป็นที่รักของญาติของพระเทวทัตของพระเทวทัตเลยอ่ะญาติของพระเทวทัตตั้งเยอะ ที่ถือข้างพระเทวทัตก็ต้องมากแต่พระองค์ก็รู้เห็น ไ, ไหมพระองค์รู้อะรู้จักเวลาว่าเวลาไหนควรตัดไม่ควรตัดเออมีใครมาถามมีใครมาถามพระองค์ไหมอย่างเงี้ยถ้ามาถามพระองค์มาเรื่งต่างเนี้ยนะแล้วมันจะปเปลี่ยนประโยชน์ยังไงพระองค์ก็ดูการเวลาในการที่จะตัดไม่เหมือนเรานะยถ้าจริงแท้เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วเนี้ย พูดไปคนจะชอบหรือไม่ชอบไอยันเป็นคนตรงพูดเลยเสียเลยเสียรางวัล ด, ด้วยยิ่งแกว่าอะไรพูดคำว่ารางวัลมันแบลว่าเสียรางวัสนี่ก็หมายความว่ า, างไงคือมันวัดได้ไม่ดีย่อมั้ยคาว่ารางวัตแปลว่าเขาเรางวัตที่ดินย่อมั้ยเนีน่ยวรางวัทที่ดิ น, นก็คือให้มันตรงนะอ้ยเสียรางวัตก็แป ล, ลว่าัวัดไม่ถูกย่มั้ย อย่างนี้นรืาวะใช่ไหมใครรู้ภาษาเนี้ยนี่เสียรังวดัดเนี่ยพูดแมเนี้เสียรังวดัดแต่ตถาแต่วาจาใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจสถาคตไม่ตรัสไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์พูดแล้วคนรักมากเลยพระบรรดาพวกเล่นตลกเล่นลิเกทั้งหลายให้สังเกตดูนะพวกพวกบรรดาพวก พวขึ days, ้นไปบนเวทีทั้งหลายเนี่ยกาบงามๆบนตักพ่อแม่พี่น้องก็นโอ้ยคนบางชื่นใจก็กาบหนึ่งบางคนก็ในห้องหัวใจท่านเนี่ยโอ้ยคนบางโม่เนี่ยอีกคนคนหนึ่งก็ไอ้ฝังที่บอกว่ามีคนคนหนึ่งก็ติดนิกายหรือหายไปแล้วไปที่ไหนก็เหมารถเข้าไปแล้วเขาไปก็บอกว่าโห้มีกินอยู่หกเจ็ดคน เขาจะสนธนาเรือเรอเ่องเรื่องอะไรนี่เกอบอางเรื่องตะโกงบ้างเรื่องอะไรต่างเนี่ยไปเล่นที่ไหนก็ตามวนี่แม่ยกไปเล่นเห็นไหมคือคือในรักสนไหนอย่างเงี้ยเพราะไปดวนคําพูดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบและย่อยประโยชน์จะเป็นคําพูดที่เป็นที่รักของเขาถ้าโลกขโมหาก็ปิดไอ้เองี่ยเป็นต้นนี่ยเนีย่ยเสียเลยวาจาที่จริงที่แท้ไม่ประบ ไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักในพุทธยาเมตต์ส่วนวาจาใดที่จริงที่แท้ประกอบไปได้วยประโยชน์และเป็นวาจาที่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในข้อนั้นตถาคตรู้จักการเพื่อตรัตวาจานั้นโอ้โหเลย <c oughs> จริงด้วยแท้ด้ว ย, วยประกอบด้วยประโยชน์ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นที่รักด้วยเป็นที่รักด้วยไม่โอ้โหถ้าอย่างเราเนี่ยรีบบอกเลยนะเนี่ยใช่ไหมจริงด้วยแท้ด้วยประกอบด้วยประโยชน์ด้วย แล้ววาจาที่พูดไปแล้วเขาจะชอบใจด้วยนี่รีบพูดเลยใช่ไหมแต่เชื่อไหมคําพูดลักหนเนี่งที่ไปพูดผิดกาลเลยเสียเล ย, เ, ลยเสียเลยเช่นเขากําลังยุ่งยุ่งงานอยู่ใช่ไหมเขาก็อยากจะเล่าอีกบางคนเล่าไปเอ๊ะทําไมว่าขนาดดีขนาดนี้ทําไมเขาเฉยมมยกันนี่คนไม่รู้จักการเป็นอย่างเนาะก็เสียเลยอย่างเงี้ยเนี่ยลักลักษณะอย่างนี้แหะที่บอกว่าวาจาที่จริงแท้และประกอบไปได้วยประโยชน์ แล้วถ้าตรัสไปแล้วเนี่ยไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจเออเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจนะและในที่สุดจริงๆวาจาอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้า ก, ก็จะรู้จักการรู้จักเวลาในการที่จะจะตรัสวาจาเช่นนั้นเป็นต้นถ้ามาพิจารณาดูจากคำคานี้เนาะจากคำว่าสุขโตเนี่ยสุขโตที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ สามารถที่จะรู้นะว่าจาที่จริงแท้และประกอบไปด้วยประโยชน์ส่วนดังที่ได้กล่าวท่านบัณฑิตกงเ้า บ, บอกว่าคําว่าสุขโตเนี่ยนะเป็นพน้นนามที่ท่าน ข, ขนานพาน้นนามก็ว่ามาจากคาว่าสัมมาคตตะต า, ต า, ตาปีสุขโตเนี่ยเพราะตรัสโดยชอบตรัสโดยชอบในที่นั้นก็คือว่าทรงมีพระวาจาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ น, นะที่บอกว่า ในบรรดาวาจาหกประการนั้นน่ะวาจาของบุคคลใดเนาะกล่าวถึงศีลเป็นคนทุศีลเป็นต้นคําของผู้เป็นคนจันทามเป็นต้นใต้คำนั้นเป็นจันทามเป็นต้นวาจาแรกเนี่ยไม่จริงไม่แท้นะไม่จริงไม่แท้และประกอบไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์วาจาแรกนี่นะไม่จริงด้วยไม่แท้ด้วยไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ด้วยนีไม่เป็นที่ชอบใจด้วยพระเจ้าไม่ตรัสเช่นกล่าวถึงบุคคล บุคคลได้กล่าวแก่บุคคลถึงคนมีศีลไปอย่างเขามีศีลเนี่ยนะเราไปกล่าวบอกเขาทุ่ศีลหรือคนที่เขาไม่ใช่จันทานเราไปบอกเขาว่าจันทานเนี่ยอันเนี้ยลักษณะนี้เป็นข้อแรกส่วนข้อที่สองที่บอกว่าวาจาใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักเนาะบุคคลพวกคนที่ทุ่ศีล คนที่เป็นจันทานเนี่ยเราเห็นเขาเป็นคนตู้ศีอยู่แล้วเขาเป็นคนขอทานเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปพูดบอกเขาว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อันนี้จริงแท้แต่ไม่ประกอบไปประโยชน์พูดไปแล้วไม่เป็นดีประการที่สามก็คือเป็นท้อยคำแสดงถึงความปรศักดิ์พระลพเช่นว่าเอยงยกตัวอย่างเช่นว่าวาจาใดจริงเนาะแท้ประกอบได้ประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจเนี่ยถ้าไปบอกว่าพระเทวทัตเป็นสัตว์นรก หรือว่าเที่ยวไปพูดไปทั่วบอกว่าพระเจ้าชาติตัวเนี่ยต่อไปตกนรกอย่างเงี้ยต้าถ้าเราไปพูดตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ใช่มว่าเราจะบอกอะไรต่างๆเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่ว่าภรรยาพระภรรยาของพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลตายแล้วตกนรกอะ่ะแล้วก็จะไปถามเพราะภรรยานี่ทําบุญตลอดเลยอะ่ะมาวัด ท, ท, ท, ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะ แต่ตายแล้วตกนรกทีนี้พระเจ้าระเสียรที่ก่อสรนก็อยากจะรู้ใช่ไหมก็ก็ไปไปเฝ้าพระเจ้าจะไปถามะแล้วทำยังไงอ่ฮะเออแต่แต่ไปถึงก็ลืมไปถึงก็ลืมไปถึงก็ลืมอยู่เนี้ยนะจ้ะ พอกลับมาทีไรเอ้าเลยเวลาเขาเฝ้าแล้วอืตรงนี้เอาใหม่ตั้งใจใหม่ยายสามว่าภรรยาตายแล้วไปไหนไปลืมอยู่ตรงนี้นะจนครบเจ็ดวันเนี่ยเขาไปถามเพราะอนี้นางเนี่ยพอไปเห็นไปในะโลกไปโดนทรมานอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ระลึกได้ระลึกบุญได้นะเคยถวายกิวอนแล้วก็จุติใหม่เข้ามาเกิดในสุคติแม่งครบเจดวันในโลกมนุษย์พอดีนะไปอยู่ในนั้นเะจ็ดวันน่ะโอ้โหเสียหายเลยทีนี้ก็ ตปวันนี้ไปตั้งใจเต็มที่ยังไงก็ไม่ลื้แม้สามคนรอบข้างหัดแล้วไปถึงไปเลยก็ไปถามพระเจ้าบอกอ๋ออยู่สุคตินี่ก็ตบผ้าหัดเลยอ่ะก็ขนาดภริย า, ยานั่นเองทำบุญทุกวันอย่างนี้ถ้าไปในโลกล้วคนทั้งเมืองมันตกในโลกกันหมดแล้วนีไงจริงแท้ใช่ไหมพอพูดไปไม่เป็นประโยชน์นนเนี่ยแต่ถ้าอย่างเรายุ่งเลยจะไม่ถ้าไปรู้เข้าเนี่ยจะทาไงเนี่ย ไหมถ้าไปรู้เขาจะทำไงอราเรารู้ว่าคนเขาทําบุญทําบุญทําบุญเนี่ยใช่ไหมแล้วบอกว่าอย่างเนี้ยอย่างนี้ต้องไปสวรรค์แน่นอนแล้วบอกคนแน่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เครืองแล้วจะมาจะบอกว่าเขาอย่างนี้เขาเครืองไหมล่ะใช่ไหมเขาต้องเครืองเลยจะไม่พาลูไปทุกวันแล้วคนเนี่ยมันจุติในขนาดจดติขนาดมันเร็วจะตายเร็วจะตายถ้าคนรักษาใจไม่เป็นจะยุ่งอีก แลอ้อุกเสรกรรมที่รอให้ผลอีกเยอะเอาสิใช่ไหมที่พูดเรื่องของสังขารเนี่ยสังขารที่เป็นกิเลสกับสังขารที่เป็นตัวกรรมอ่ะไอสังขารที่เป็นกิเลสเนี่อดีตเรากระละ้ายังไม่ได้เลยมันไม่เคยทํามารกละได้สักกิเลสเลยที่เคยเกิดมาในสังสารวัฏ ส, สังขารที่เป็นเจตนากรรมมากมายนะเอาสิที่ยังไม่ให้ผลเนีมันรอจะมาแอาอัดยัดเยีดยดนําเสนอเลยตอนนั้น่ะ ยิ่งจิตล้วอ่อนมากตอนนั้นนะ่ะเอาทีอะไรมันจะมาแล้วมันจะเกาะตัวนั้นนะ่ะคนอ่อนแรงเนี้ยคนอ่อนแรงแล้วตกไปในน้ําเนี่ยอะไรลอยมาเกาะไหมกลัวที่สุดใช่ไหมผู้หญิงโดยมากจะกลัวงูกับจระเข้ถ้าตอนนั้นจ ร, เระเข้กับงูก็ลอยมาเกาะหลังเขาไหมต้องเกาะทั้งๆ ท, ที่กลัวเนี่ยก็ต้องเกาะเพราะมันจะตาย ก็เหมือนคนจมน้ําตายที่ว่าตอนไอ้คนจมน้ําที่ว่าตอนดนสีนามิี่ใช่ไหมเขามีมีงูใหญ่ตัวหนึ่งลอยลอยมามันก็หนีเหมือนกันอคนนี้ก็กลัวงูมากเดียวกาะหลังงูแล้วรอดตายอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเกาะไม่ใช่ไม่เกาะอะไรก็มารกเกาะหมดแหละเจอระคายเหรอมอปลากดก็เกาะเจระเายแหละใช่ไหมนั่งดี เมยนั่งมุนตะแเป้ขาดทุนเลยไมย่เอาเน้นเน้นเป็นอย่างนี้นะจึงถึงบอกว่ากรณีถึงถึงประการต่อมาคือว่าเป็นคําพูดนะประการที่สีนะ่ทำให้ลุ่มหลงทําให้รุ่มหลงอย่างยกตัวอย่างเช่นเอ่อทำไม่ดีต่างๆเป็นเหตุให้สุขติ เช่นพวกฆ่าสัตว์บูชายัญแล้วเขาไปบอกเป็นปกติใช่ไหมหรือทำวิธีว่าเออฆ่าเขาแล้วเนี่ยแต่บูชาพระเจ้าใครที่ไม่นับถือเจ้าฆ่าอย่างเนี้ยไ อ, อ้คำพูดอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่จาดหรอกอย่างนี้มันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ใช่ไําไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ วาจาไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประยชน์วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแล้วาจาที่ไปบอกว่าเออเนี่ยฆ่าคนที่เป็นศัตรูของพระเจา้าให้หมดถึงส ม, มุตินะนะสมมติอย่างเงี้ยอันเนี้ยวาจาที่ไม่จริงไม่แท้แล่นไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักของคนที่มีใจต้องการทํำลายคนอื่นวาจานี่เป็นที่รักของเขาเนี่ยต้องพูดต้องปลูกกระดมดูดิวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยต้องปลูกกระดมคําพูดแบบเนี้ย จีไม่จริงด้วยไม่แท้ด้วยไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในภพนาประโยชน์ยชนยชนอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมเช่นฆ่าสัตว์บูชายันหรือการฆ่าคนที่ไม่นับถือพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะโปรดปานคุณอย่างมากอย่างเงี้ยนะและในขณะที่คุณทํำไปคุณร้องเรียกชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆนั่นแหละพระเจ้าจะทรงโปรดอย่างมากเลยท่านจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยคนก็ทํากันทำไมมันถูกจใจถูกกิเลสเขาไง เพราะเขามีจิตใจกักขาอยู่แล้วเนี่นะอยากอยากช้าอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยว่าจจอย่างนี้พุทเจา้าไม่ตัดตเดครับแล้วมันเสียหายนั่นเสียหายก็คือไอ้คนบอกอะ่ะเขาไม่รู้กรรมหรอว่าในขณะที่คนไปทําชั่วเพราะคําพูดของเขาสักคนหนึ่งกรรมชั่วมันจะกระแทกมันถึงเขาสักเท่าไหร่มันจะผลิตวิบากให้เขาสักเท่าไหร่เหมือนที่เราบอกเรื่องความดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเอา แล้วเราก็อย่างเนว่าอย่ามันพิษนาะเอาความดีอ่ะอาจากพระธารมมไปบอกต่อบอกต่อลองคิดดูดิเชื่อไหมวันหนึ่งอ่ะบุญกุศลนั้นนั้นที่เกิดขึ้นจากโยมที่กําลังทําเนี่ยนะมันผลักดันวิธีคิดของโยมเป็นสมาธิทีหมดเลยนั่นนักเข้านักเข้านะถึงแม้ไปเกิดในภพไหนคนหลายๆคนที่ได้รับอริสง์จากหนังสือก็ดีจากเทพจากการที่เราทําตรงนี้ก็ดีเนี่ยนะที่เป็นธรรมะไม่วิปริตเนี่ยนะมันเกื้อนหนุน เกื้อหนุนจนบนรรลุได้อ่ะเกือ้อเลิให้ธรรมะที่ไม่วิปลิตธรรมะที่ไม่วิปลิตนั้นจะผลักดั น, น, น, นคุณจนากรรมเหล่านั้นแรงมากอย่างเงี้ยเป็นต้ น, นในทางตรงเงินข้ามถ้าเราเอาความชั่วนะไปบอกกล่าวให้คนเชื่อแล้วมันแตกวงกันจนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นหลายล้านหลายสิบล้านกันกรรมอันนั้นเนี่ะไอไอคนเดิมอะพวกนี้คือกลุ่มต่อของวัตัะพวกนี้ออกจากวตัะไม่ได้ ให้วนเข้าไปกัดยุ่งเลยตรงนเนี้นะถ้ายึ่งเป็นหั ว, หวขบวนเลยแล้วเนี่ยฉันร้อยว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเราน่าจะเคยเป็นหัวขบวนอย่างนี้บ้างมัานน่ากลัวตรงนี้ตอนนี้มันก็ยังพังให้เราจะเข้าใจผิดอะไรอยู่เรื่อยอะเข้าใจใไม่ม ท, ท, ทั้งๆที่โอ้สิ่งที่ถูกๆนี่นะไปฟังแล้วนรู้เฉยๆอะ่ะพอฟังสิ่งที่ผิดๆรู้สึกตื่นเต้นมากใช่ไหมเอาวัฏฏการมใช่ไหม เรื่องสังสารวัฏเรงพลานาดูดิมันน่าเที่ยวไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปทุงบทบโลกวิทัวถ้าพูดถึงเรื่องสวรรค์นเนี่ยนะในชั้นดาวดึงเนี่ยยี่มันนะาไปเนี่ยใช่ไหมก็เร า, าไปมาเยอะแล้วในโลกใบนี้ใช่ไหมยี่เพรา ง, งั้นนะอันนี้มันมีงามกว่านนะั้นอีกเรื่องอ่อแล้วจะเป็นพระเจ้ามันตาตุลาชสองใช่ไหมยินดีในภพยินดีในวัตฏะนี่เป็นอย่างนี้ ส่วนประการที่6ก็คือว่าเป็นถ้อยคํากล่าวถึงทานศีลภาวนาเป็นต้นที่เป็นไปในฐานะที่ควรและที่ถึงแล้วงั้นตรัสโดยชอบเนี่ยนะพระบรมศาสดาสุขตาพระทรงเว้นคําที่ไม่จริงไม่แท้เป็นต้นตามที่ได้กล่าวตัดแต่คําที่จริงแท้และประกอบไปด้วยอัธยาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอันชื่อว่าชอบคือดีเพ่อเหตุนั่นแหละจึงรู้ว่าดัมรัตของพระบรมศาสดาแม้ไม่เป็นที่รักแก่บางคนโดยเพียงแต่ถึงคลองแห่งโสตนะ ก็เชื่อเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจทีเดียวเพราะสำเร็จประโยชน์หรือนามาซึ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกพุทธองนี้ทํายากทวารจาอย่างเราไม่ได้เพราะพุทธิยามีพระวาจาร์เขาเรียกว่าพระวาจาเนะี่ยวิราชพระวาจานะนะวิราชขนาดว่าวาจาที่พูดไปนี่นะสํานวนนั้นพูดไปเนะี่ยให้กับคนหนึ่งนะเพราะถ้าพูดคําหนักๆกับคนนี้แล้วเนี่ยคนนี้บรรลุเี่ย แต่ไปถึงเสือตัทวาอีกคนคนหนึ่งกลับกลายเป็นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจถ้ากรรมของคนคนนั้นไม่หนักเหมือนคนบางคนเนะี่ะถ้ายัางเช่นนางมาคันเดียอันนี้ยุ่งเลยนางมาคันเียเนี่ยพระเจ้าโปรดพ่อกับแม่แต่นางฟังแล้วกาหนดผิดแล้วโกรธพระเจ้าอันนี้กรรมเธอนะวิปริตมามากในสังสารวัตแต่ถ้าเป็นคนที่กรรมไม่หนักหนาสาหัสนี่นะพระวจนะของพระเจ้านั้นอยก็ ตูมที่โสตะปราสาทตนะแล้วก็สัมปติชนะสันติระนาเป็นต้นไปนะหลังจากเป็นโสตะวิญญาณสัมปติชนะสันตินะถึงโชวนะเป็นที่ชอบเป็นไปเพื่อเป็นเกื้อกูลต่อกุศลจิตเลยอะ่ะเกื้อกูลกุศลลองคิดดูที่วาจาวิวัจนะวิราชขนาดนั้นแต่เราไม่ได้บรรลุอ่ะที่ผ่านมามันอะไรเกิดขึ้นอะใช่ไหมมันมันพระวจนะของพระโรมศาสดาเนั้น มีมีเพราะว่าเจนะวิราชขนาดนั้นเลยเนี่ยแสดงว่ากรรมของเราหนามันหนาแน่นปิดปิดปิดปิดปิดใช่ไหมแต่ตอนนี้ตั้งหลักใหม่หวังว่าคงจะตั้งเป็นเที่ยวแต่นี้ก็ไม่ตั้งอย่างนีกเรื่อนะเป็นคนที่ว่าตั้งแล้วตั้งเลยเลยแต่นี้ตั้งแล้วไปวันหนุนแน่นมากขึ้นมากขึ้ น, นตรงนี้ก็สุขโตครับสุขโตเนี่ยอที่จริงสุขะ โตโตตัวเนี้ยที่จริงมาจากคาว่าโทนะเขาแปลงทอทหารเนี่ยจากทอท่าอักษรเนี่ยเป็นตาอักษรนะเลยเป็นสุกโตเลยมีคตะคือการไปอันงามนี่ตามหลักของไวยากรณ์เขาตามหลักภาษาคืออะไรตามหลักของภาษาไวยากรณ์บางทีเขาแปลงภาษานี้ความหมายไม่ได้เขาก็ตัดตัวหนึ่งออกไปเนี่ยเป็นรูปแบบของการแปลงอักษรเขาก็แปลงความหมายสุกโต มีคาถาคือการไปอันงามก็คือการเข้าไปหาเวไนชนของพระผู้วิภาคเจ้างามคือเจริญยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่เวไนชนนั้นโดยส่วนเดียวเวลาพระพุทธเจ้าไปเนี่ยพระเจ้าก็ให้ประโยชน์3ามเนีเอาเรียสัพไปให้ให้ประโยชน์ในปัจจุบันให้ประโยชน์ 3, นในพบหน้าให้ประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นต้นการเสด็จไปทางพระวรากายเว้นจากโทษมีการเดินเหนียวกายเดินเฉื่อยช้าเดินพลาด เดินจิตตายเท้าเดินลงสน้นเดินกระยงเดินตัวงอเดินสายไปสายมาพระพุดอย่างนี้นึกถึงเนรบินบาทใช่ไหมมันนั่งดีๆดีนึกแล้วไปบินถบาทก็ต้องเหลี้ยวมาข้างหลังด้วยเนรเขาสรีละเขาโตหนอะนทองเขาก็จะโตโตแต่พอเอาบาทนั่นอปบาทก็จะกิ้งกิ้งอยู่อย่างนี้มาเขาก็เลยจะต้องเอาบาทไว้ข้างๆแล้วเขาจะเดินแกว่งแขนเดินบอกเอาแล้วว่า แล้วก็จะเดินช้าถามทำไ ม, มเดินช้าเขาขากลัวเหยียบตอเหยียบนามก็เลยบอกให้เขาสาทยายพุทธคุณไปดีนนยยเนี่สาทยายไปในตอหนามหลีกหมดเลยเขาก็เลยเดินไวได้วยคเปล่อแล้วเวลาต่อไปเวลาโยมใส่บาทรนี่นะโยมใส่บาทรนี่ต้อต้องไม่พูดใช่ไหมอันนี้เวลาไปเจอของถูกใจหนี่ได้แล้วอย่าง้ไโอ้หมดเลยก็อย่างนี้อย่างนี้หมดเลย เข้าใจว่าไงอย่างนี้ไหมเล่นยมตกใจมองหน้าพระให้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกไปแล้วก็ลืมตัวเลยแสดงว่าเขาคิดไปตั้งแต่นี่เป็ น, นีังไไม่ไปภาวนาไปหรือเปล่าวันนี้ขอได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะภาวากายของพระบรมศาสาเวลาเดินเนี่ยนะเดินไม่เดินเฉ่ยช้าเดินผิดพลาดเดินจิกปลายเท้านะ บางคนก็เดินจิกไลท้าเดินลงส้นเดินกระโยงเนะเดินตัวงอหรือเดินสายไปสายมาเนี่ยมีการดําเนินพระวรากายไปดุจพยาหงเหมือนอุสุภุเออเหมือนอุสเหมือนอุสุภราชน่นนะหรือเหมือนกับพยาช้างหรือเหมือนกับพยาเนื้อที่เยี่ยงกรายงามมากนะเพราะการที่พระบรมศา ส, สดามีรูปประกายอันปรตอบไปด้วยมหาปุริส ร, ราชนะและก็นุพิยานยินนั่นแหละจึงเป็นกริยาที่งามและเสด็จไป ด้วยพย า, ยานก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่จะย่างเท้าพราะบาทหรือว่าวรารกาจะเคลื่อนไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมีพย า, ยานนำหน้าแวดล้อมหมดเลยแล้วก็ไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระเมตตาคุณพระมุทิตาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ ย, ยมีวิริยะอันไตยบุญที่ปราศจากมวลทินด้วยนะเป็นกิริยาที่งามเหมือนกันเพราะปราศจากโทษจาเดิมแต่ที่พระบรมศาสดาประทับนั่ง ปรารถนาพุทธภูมิจนถึงตัดสรตวอนุตตรสัมมาสัมปวิญานเนี่ยนะเพราะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายลองคิดดูดีเพราคิดจะเป็นพระได้เจ้าเนี่ยเริ่มให้ประโยชน์ท้งสัตว์แล้วเริ่มให้แล้วพอการคิดในใจจะเป็นพระเจ้าหรือปรารถนาโพธิญาณเ น, นี่ยนันนะเนี่ยนองปรารถนาดิมันจะผูกเลยทุกคนถ้าถ้าผูกปรารถนาโพธิญาณครบเนี่ยนะเ อ, อจะผูกบารมีไว้ในตนแล้วผูกสัตว์ไว้ในตนตอนนี้การกระทําทั้งหลายจะเป็นใบเพื่อสัตว์ ทั้งหลายเป็นไปเพื่อการบ่มเพาะบา ร, รมีไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากของตอนเองทันทีเพราะทุกอย่างที่ตนเองได้พบได้ประสบเจอนั้นมาเพราะบุญของเราที่เราเห็นเห็นเห็นเนี่ยจะเป็นทุกยากลําบากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่มาที่เราประบสบที่เดินฝ่าฟันก็ไปเนี่ยนั้นมาได้บุญของเราต้องคิดดูถ้ามีคนมันขี้หน้าดา่าท่านจะคิดว่าอ๋อท่านพคนนี้มาเพราะบุญของเรา จะทําให้เราได้ทานบา ร, รมีศีลในกรรมวิริยะคันติสัจธมากเพิ่มขึ้นข้อคนเขาที่ด่ข้อค้นในใจนะข้อคุณในใ จ, นะในใจเป็นการได้บา ร, รมีเพิ่มเมื่อเกี่ยวข้องอะไรกับนใคนรเป็นการว่าท่านจะต้องได้บา ร, รมีเพิ่มทกเรื่องฉะนั้นบุคคลที่บําเพ็ญบา ร, รมีเหล่านี้จึงทนได้แล้วก็เพียรพยายามได้แล้วก็มีปัญญาในการรักษาจิตของตนเองเนาะแล้วก็มีกรุณาต่อท่านผู้นั้น และพยายามจะหาโอกาสในการช่วยเหลือเขาไม่เลือกไม่เลือกสัตว์เพราะถือว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นเวไนเป็นเวไนเป็นสัตว์ที่ควรแนะนำโหใจนะหน้าปารถรนาไหมนะนี่เชิญชวยเพราะว่ามาเยกหลังนี่คนปารถรนากันน้อยใช่ไหม คนคิดคนคิดเพื่อผู้อื่นน้อยเหมือนที่บอกว่าเราหนาวบางทีเราไม่คิดถึงว่าสัตว์โลกกําลังหนาวอีกเยอะๆมัไม่ได้คิดเราร้อนเราหิวเราก็หายเราทรมานใจเราไม่ค่อยน้อมถึงคนอื่นเท่าไหร่พรตอนนี้เขาหิวกขากหายก็ทรมานเนี่ยตอนนี้ยังไหเราอยู่เป็นสุกเนี่ยแต่บางประเทศเนี่กำลังร้องระ ง, งมแผ่นดินไหวแผ่นดินสรุดอะไรเงี้ยสัตว์โลกมันเป็นแบบเนี้ อย่างเงี้ยเขาทรมานกันอย่างนี้ยเขายังหาพ่อหาแม่หาปู่ย่าตายายไม่เจอเลยมางคนขาขาดแขนขา ด, ขา ด, ขาดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยท่านคิดอย่างเงี้ยว่าไอ้ถ้าขืนยังเกิดอยู่อย่างเงี้ยยุ่งแน่นอนเงี้ยถ้าขืนยังเกิดอยู่เนี้ทยทํายังไงจะทำให้สัตว์นั้นพ้นจากสังสารวาัตเป็นต้นได้เนี้ยนี่นะทีนีญญ้ถ้าหากว่าอีกประการหนึ่งพระบรมศาสดาทรงพระนามว่าสุขโตเนี่ยนะเพราะอาจจว่าทรง กำหนดรู้โลกทั้งสิ้นด้วยสยามภูยานด้วยการตัดทะรู้ด้วยการกําหนดชื่อเสด็จไปก็คืออย่างลงแล้วโดยชอบคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสุขโตเนี่ยทรงและกําหนดรู้โลกทั้งสิ้นด้วยสยามภูยานก็คือด้วยสัพพยุติยานของพระพุทธองค์นั่นเองโดยการตัดทะรู้ด้วยการกําหนดรู้อันชื่อว่าเสด็จไปแล้วคืออย่างรู้แล้วโดยชอบที่พระพุทธเจ้านี่ยอย่างรู้แล้วโดยชอบพระพุทธเจ้านามว่าสุขโตพระอัตวะทรง ละซึ่งโลกคสมูมูไทยด้วยอะไรด้วยการตรัตรู้ที่จริง่ยถามว่ากำหนดรอบรู้ทุกข์ด้วยนี่แหละลาสมูมูไทยตำนี้โรที่แจ้งและอบรมารีมากนั่นแหละคือการละทำให้ถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติมีการไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาชื่อว่าเสด็จไปแล้วคือทรงผ่านพ้นแล้วโดยชอบอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสุกโตเพราะทรงนึกทรงถึงแล้วคือปรลุแลโดยชอบ ที่จริงอนะหนึ่งลาโลกสมุทยัยสองสุกโตก็คือว่าถึงแล้วก็คือบรรลุพระนิพพานแล้วเอานิโรธเป็นอารมณ์ได้แล้วด้วยการตัดรู้ด้วยการทําให้แจ้งสุกโตอีกันนึงทรงถึงแล้วถึงแล้วคือการปฏิบัติแล้วโดยชอบปฏิบัติอันทําให้ถึงโลกกันิโรธก็คือให้ถึงพระนิพพานก็คือตัดสูนะ้เนี่ย ด้วยการทําให้เกิดทําให้มีทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เต็มให้บริบูรณ์ก็คือว่าการทําอริยมรรคให้บริบูรณ์นี่นี่เขาเรียกถึงแล้วเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสุขโตพระทว่าธรรมชาติใดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาที่ทรงเห็นทรงฟังแล้วทรงรู้แล้วทรงทราบแล้วทรงถึงแล้วทรงแสวงทรงเข้าพระไทยแล้วก็เที่ยวตามหาด้วยพระไทย พระ อ, องค์ก็ทรงถึงแล้วและก็รู้ยิ่งเลยธรรมชาตินั้นโดยชอบโดยประจักษ์เหมือนอะไรเหมือนกับเอาผลมะขามป้อนป้อมวางไว้บนพระหัตถ์นี่สุกโตแปลว่าโลกทุกโลกนะพระ อ, องค์มองทะลุเหมือนกับผลมะขามป้อมในพระหัตถ์ขององค์มองเห็นทะลุทะลวงบนเลยใช่ไหมลองคิดดูดิโลกใบหนึ่งเนี่ยพระ อ, องค์เหมือนกับเอาผลมะขามป้อมมาวางไว้ข้างหนึ่งใช่ไห พระ อ, องค์รู้เลยไหมโลกกลมๆอย่างเนี้ยเนาะเนี่ยอุปมาไว่านี่ไงขนมาขามป้อมก็คือโลกใบสรุปแล้วก็คือว่าพายพา ย, ยานของพระ อ, องค์เนี่ยในแค่โลกใบเนี่ยทะลุทะลวงเหมดเลยเป็นแสนจักรวาลอย่างนี้ก็เรียกว่านี่ไงรู้แจ้งโลกในรู้แจ้งสังสารวัฏใช่ไหมนี่บทต่อไปก็คือโลกกับวิถี เ, เนี่ยนะคําว่าโลกเนี่ยนะ ในคำภีชั้นอัตกถาในสมันตาเป็นต้นเหล่านี้ยนะหรือในคมภี์ของวิสุทธิมัชทถ้าอัตรกระถาและดีกาท่านขยายไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะแม้ในคมภีร์ชินาลังการาก็มีสัมภารวิบากก็มีหรือโสตตกีมาหานิทานเวนเดนก็มีกีกล่าวคํานี้ไว้เยอะแยะหมดเลยแล้วการคมภีรที่ภาลนาเรื่องโลกก็มีเยอะจักรวาลทีวันีก็มีโลกทีบณีก็มีใช่ไหมไปดูเถอะเยอะแยะหมด ท่านภาลานาละเอียดยิบแต่พอภาลานานี่เนี่ยโหยเรื่องโลกเนี่ยแปลพระพุทธเจ้าทะลุทะลวงหมดแล้วแต่เวลาพรลานายาวๆยาวๆไปเนี่ยคนลืมทั้ง